การการทำรวัดเช้าเนาะที่จริงก็คือเป็นการคล้ายๆเหมือนเราเข้าเฝ้าพระพุทธจเจ้าพระพุทธเจ้าแม้ในทางกายมีชีวิตนะเราถือว่าท่านปรินิพานหรือว่าทาละสังขารไปแล้วนะที่จริงการทำรวัดเช้าเนี่ยเหมือนเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะ พระบทที่เรากล่าวสรรเสริญนนคุณพระพูดคุณพระทำคุณพระส่เนี่ยมันเหมือนให้ดูนะมันเหมือนความรู้สึกอาตมาเหมือนเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าหมู่สงฆ์ที่พระพุทธปฏิบัติดีอ่ะเราเข้าเฝ้าตรงนี้น ะ, นะอาศัยพระพุทธรูปเป็นคล้ายๆเป็นตัวแทนนะโดยสมมุติโดยรูปนะ แต่ถ้าเราสวดดีๆนะเหมือนใจเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยเหมือนใจเราอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ข้างหน้าเราก็ระ ล, ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะได้รึกถึงธรรมะได้รึกถึงหมู่สง์นะที่ประพฤติปฏิบัติ ด, ดีนะหมู่สงในที่นี้ไม่ใช่แต่เฉพาะพัดสงนะบางทีเราเข้าใจว่าสงนะหมายความคือพัดสงนะ แต่สงจริงๆนะอุบาสกอุบาสิกาที่ประพฤติปฏิบัติดีก็เป็นพระสมได้เนีอย่างโยมนะหลายท่านนะที่มีศีลมีธรรมนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสงได้นะเอีอย่างที่อาจมาพูดเมื่อวานเนี่ยอย่างอาจารย์กำพลนะแม้เป็นคนพิการนะคนพิการในทางข้อวินัยนะอาจจะบวชไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์ไม่ได้นะ แต่ทางใจนะทางคุณธรรมเนี่ยถือว่าเป็นพระนะมีหลายคนที่มาฟังธรรมมาปรึกษาธรรมกับอาจารย์เนี่ยกราบอาจารย์กับคลสามครั้งแบบบางทีกราบสนิทใจกับกราบพระสงฆ์ที่เป็นสมมุตินะนุ่งเรืองพรมเรืองอีกนะคือคุณธรรมนะคุณธรรมคนที่ที่ประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยอมัน มันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่ารูปแบบเขาเป็นแบบไหนนะรูปแบบบางคนไม่ได้บวชแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยก็มีคุณธรรมที่น่าเคารพที่สมควรแก่การกราบไหว้นะอืมอันนั้นเรากลาบไหว้คนอื่นแต่ในทางประพฤติปฏิบัติโยมสิ่งที่สําคัญคือการกราบไหว้ตัวเองการไหว้ตัวเองการนับถือตัวเองการเคารพตัวเองเนี่ย เราทำได้ไหมเวลาเรามองย้อนไปในที่ชีวิตของเรานะตั้งแต่เราเกิดมานะจะถึงตอนนีนะ้มีอะไรที่เราไหว้ตัวเองได้มีอะไรที่เราคล้ายๆและลึกถึงตัวเองแล้วมีความภูมิใจมีความพอใจนะมีความเคารพตัวเองได้มาว่าอันนี้แหละ มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะชีวิตเราคนคนหนึ่งเกิดมาแล้วเรามีอะไรดีที่ตัวของเราเองเรามีอะไรที่เราสามารถไหว้ตัวเองได้เนะ น, นี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากบางทีเราไหว้ยอย่างผสมเนาะไหว้โดยสมมุตินะแต่บางทีใจเราไหว้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้อย่างเราไหว้พ่อไหว้แม่เนาะเราก็ไหว้ไปแบบเช่นนั้น หรือว่าเราก็ไหว้ด้วยความนึกถึงคุณของพ่อของแม่จริงๆที่ที่ทำทาความดีต่อเราเนะีนะอันนี้ถ้าเราไหว้จริงๆนะมันจะตึงพิจใจมันไม่ใช่ไหว้แค่ภายนอกมีตัวอย่างหนึ่งสมัยก่อนนะตั้งแต่หลวงพ่อเทียนท่านบวชใหม่ๆนะท่านบวชใหม่ๆนะคราวนี้ ท่านก็ได้รับกิดนิมนต์จากที่ทางฝั่งลาวนะไปคล้ายๆไปทำบุญบ้านใหม่นะไปทำบุญบ้านใหม่ด้วยแล้วก็ทำบุญต่ออายุให้กับพ่อแม่ด้วยนะปกติเนาะเวลาพระท่านไปรับกินนิมนต์ทำบุญเนี่ยนะก็จะจ้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลีมีพิธีกรรมในหลายอย่างนะแต่ตอนนั้นหลวงพ่อเทียนท่าน ไม่ได้สวดด้วยนะไม่ให้นางสวดนะก็ไอาจะมีพระทุกอื่นท่านสวดเยอะแต่หลวงพ่อเทียนนะอนะ่โยมก็อาจจะไม่พอใจนะเห็นพระท่านไปงานกิจนิ ม, มนตะ์แล้วไม่สวดอาจจะไม่อยากถวายอ่านเะจตุ ป, ปัจจัยต่างๆนะแต่หลวงพ่อเทียนนะท่านสอนนะท่านสอนอะไรท่านพาโยมนะที่มาทําบุญตรงนั้นแหละกราบพ่อกราบแม่ อไหวพ่อไหวแม่หลวงพ่อเทียนนะท่านภาคา ก, กาเลยนะอสอนกาบแบบไหนสอนไหว้แบบไหนโยมที่มางานตัวนี้นตกใจนะคนลาวพระมาไหว้โยมได้ไงฮพระกาบโยมได้ไงนเออตกใจนะหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไหว้โยมท่านไหว้ตัวเองที่ สอนให้โยมรู้จักเคารพพ่อแม่รู้จักไหว้พ่อแ ม, อม่ท่านอาจจะสมมุติโดยภายนอกก็คือท่านกราบกราบต่อหน้าโยมที่พ่อแม่เขาอะที่นั่นตอนนั้นแหละนะหะวมพ่อเทียท่านพากราบแต่ท่านไม่ได้กราบโยมที่เป็นรูปสมมุตินะแต่ท่านกราบพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์กราบตัวเองที่สอนให้โยมรู้จักว่า การทำบุญจริงๆเนี่ะไม่ใช่เพียงแค่การสวดนะการทําบุญจริงๆเนี่ยคือการที่เรานอบน้อมนะต่อผู้ที่มีพระคุณต่อคุณงานความดีต่างๆเอ่ะคือการทําบุญจริงๆนะนะทาบุญจริงๆเนี่ยคือการที่เราเนี่ยมีความเคารพนอบน้อมต่อคุณธรรมนะไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมของผู้อื่นหรือคุณธรรมของตัวเราเองเนี่ย มันสาคัญมากนะมันมาอยากจะพูดถึงเนะี่ยการไหว้ตัวเองนะการกราบตัวเองเนะี่ยเราดึกได้ไหมเราทําได้ไหมนะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเ อ, อแต่มาว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติทำดีๆนะตั้งใจศึกษาธรรมะดีๆนะเราจะมีความรู้สึกว่าเราไหว้ตัวเองได้นะ พอจะนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนะเราก็รู้สึกเออไม่ไม่ทุกใจนะไม่เศร้าใจบางทีความทุกข์ของเรามันก็เกิดจากการพอเราคิดถึงอดีตที่เราเคยทำผิดทำพลาดแล้วเราก็เศร้าหมองใจเนาะนะเคยทำร้ายคนอื่นเคยว่าคนอื่นเคยทำไม่ดีนะกับพ่อกับแม่ เคยทำไม่ดีกับตัวเราเองเนี่ยมันก็เท้าใจเนาะแต่ถ้าเราขอพติปฏิบัติธรรมนะเราจะดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะเหตุการณ์ในอดีตเราแก้ไม่ได้เราไปย้อนกับไปแก้ไม่ได้แล้วแต่เราจะดูความรู้สึกของเราเองนะเช่พอเราไปคิดถึงเรื่องที่มันไม่ดีทุกนะใจมันรู้สึก เศร้าหมองให้เรารู้ทันใจที่มันเศร้าหมองรู้ทันใจที่มันทุกข์นั่นแหละะมันจะย้อนกลับมาไม่โทษตัวเองซ้ําอีกรอบหนึ่งไม่โทษตัวเองซ้ําอีกรอบหนึ่งมันจะเห็นว่าอ๋อใจมันทุกข์ใจมันเศร้ามันก็จะวางได้อาจารมาจะจะเรียกว่าไอ้แบบเนี้ยคือการแก้กรรมจริงๆนะ บางทีชาวพุทธเราบางทีเราไม่เข้าถึงพุทจริงๆนะเราไปหาเรื่องสะเดาะเเคราะแก้กรรมเชื่อตามหมอดูเชื่อตามสำนักต่างๆนะไปถวายนั้นถวายนี้คิดว่าจะแก้กรรมได้จริงนะแต่ในทางกรรมฐานจริงๆนะการจะแก้กรรมจริงๆคือการแก้ที่ใจของเราเนี่ยที่มันไม่ที่มันรู้สึกว่าเออมันวางได้ในสิ่งที่เคยทําผิดทําพลาดมันวางได้ตรงนั้นแหละ คือพอเห็นปุ๊บเห็นใจเราเออเห็นใจพอคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมามันรู้ทันใจมันวางอารมณ์ได้ที่เกิดที่ใจนะไม่กลับมาโทษตัวเองไม่กลับมาโทษตัวเองครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็วางความวางกรรมทางใจได้นะอืมแต่กรรมทางโลกถ้ามันอาจจะเป็นผลของกรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยมันวางได้มันไม่ คล้ายๆมันไม่โทษตัวเองซ้ําอีกครั้งหนึ่งเราเคยไหมอย่างเช่นสมมติเคยว่าสมมติว่าคนที่เรารักเนาะทําร้ายคนที่เรารักพอคิดขึ้นมาเนี่ยอ้เราทุกซ้าอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยมันซ้ํำสองให้เรารู้ทันตัวนั่นแหละนะพอคิดขึ้นมาเนี่ยมันทุกแล้วเราก็มาโทษตัวเองที่ที่ไปทําแบบนั้นอีกเหมืนนะ่ะมันมันทุกซ้อนมันทุน ทุกตอนทุกเนา ะ, ะแต่ถ้าเราปฏิบัติทำน ะ, อะพอมาคิดขึ้นมาปุ๊บเรารู้ว่ามันทุกมีสติรู้ทันไม่กลับมาโทษตัวเองอีกครั้งหนึ่งไม่กลับมาโทษตัวเองซ้ามันก็จบที่ว่าเออทำไปแล้วผ่านไปแล้วมันก็จบรู้ทันใจที่มันผิดอ่ารู้สึกผิดอันนั้นพอเลยนีน่วันทีอดีตนะเราแก้ไม่ได้นะ นะอนาคตยังมาไม่ถึงก็จริงนะแต่อดีตเนี่ยถ้าเราเรียกว่าอะไรเรามีมุมมองที่ดีนะมุมมองที่ถูกต้องเนี่ยมันก็แก้อดีตได้นะเพราะอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องของมุมมองเหมือนกันนะนะอดีตเราแก้ไขเหตุการณ์ไม่ได้แต่เราถ้าเรามองมีมุมมองที่ถูกต้องมีมุมมองในทางธรรมะนะ มันก <c ười> ็เหมือนแก่อดีตได้นะปังอาจจะงงนะเอาง่ายๆนะเช่นสมมติสมมติเราเคยเช่นสมมติเราเคยว่าพ่อว่าแม่เนาะสมมุตินะนะอพอเราคิดถึงเหตุการณ์ที่เราเคยว่าพ่อว่าแม่ทำร้ายพ่อทํา้ายแม่ให้ให้ทุกข์ใจพอเราคิดปุ๊บมุมมองของเราโอ้มัน แต่ก่อนนะั้นเราทําไม่ถูกเราทาไม่ควรตอนนี้เรามีธรรมะมากขึ้นแล้วเราคิดได้แล้วต่อไปเราจะไม่ทําอีกแล้วนะ ม, ม, มองจากเหตุการณ์ที่เคยทําผิดทําพลาดนะคราวนี้ก็จะมาเตือนตัวเองต่อไปโอ้เราก็จะไม่ทําแบบนั้นอีกนะเราก็จะไม่เป็นแบบนั้นอีกนะีอันนี้คือมันอยู่ที่มุมมองของเรานะ พอเราเราลึกได้โอ้เหตุการณ์นั้นมันเป็นความผิดพลาดในชีวิตต่อไปเราจะไม่ทำอีกเนี่ยมันจะเป็นมุมมองที่แต่ก่อนเราเคยทุกข์แต่ต่อไปมุมเหตุการณ์นะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวเตือนเราที่เราจะไม่ทําอีกอะ่ะมันจะเป็นความความไม่ทุกข์แล้วเนี่ยคือการแก้อดีตคือแบบเนี้ไม่รู้อาจจะฟังยากนะแต่ถ้าเราภาวนานมันอาจจะมันจะเข้าใจโยก เหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือนเราเป็นโรคนะสมมติเราไปหาหมอแล้วหมอว่าเราเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งนะหรือบางทีโรคไม่ร้ายมากนะพอเราได้ฟังเรื่องราวตอนนั้นนะเราก็โอ้ไม่อยากเป็ น, นทุกข์ใจใช่ไหมแต่พอสังเกตดูดีนะพอเราย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวตอนนั้นโอ้ ตอนนั้นเราทุกข์ใจกับโลกรายตรง น, นั้นแต่พอเราย้อนกลับมาดูดีๆอีกทีเนี่ยเออที่จริงถ้าเราไม่เป็นโลคเราอาจจะลืมตัวเราอาจจะไม่ดูแลตัวเองอ่าเราจะปล่อยป่าละเลยตัวเองไปมากกว่านี้อีกอ ม, มันเป็นเรื่องที่บางทีก็พูดยากนะแต่ถ้าเราภาวนาจริงมันเหมือนคล้ายๆ อดีตที่เคยผิดพลาดนะมันก็เป็นตัวสอนเรานะเป็นตัวสอนเราที่ดีถ้าเราก็มองว่าโอ้เราก็ไม่อยากจะผิดพลาดแบบนั้นอีกเนาะความทุกข์นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ที่ดีนะคนเราส่วนใหญ่นะก็จะรักสุขก็จะเกลียดทุกขนะ์เป็นกันทุกคนใช่ปะ <c oughs> แต่ถ้าเรามองดีๆนะความทุกข์เนี่ยมันดีนะมันทําให้เราพยายามที่จะออกจากมันนะความสุขเนี่ยมันอยากจะให้เราอยู่สบายแบบนั้นแต่ความทุกข์นะมันทําให้เราอยากจะออกจากความทุกข์นะถ้าเราดูดีๆชีวิตนะชีวิตเราถ้าไม่มีความทุกข์เนี่ยมาว่าคนเราก็จะไม่ดิ้นรนคนไว้อะไรหรอกนาะ ที่เราทำมาหากินก็ดิ้นโดตออกจากความทุกข์ใช่ไห ม, มถ้าไม่มีเงินไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ชีวิตเราก็เป็นทุกข์เพราะความทุกข์นั่นแหละทำให้เราต้องขยันเพราะความทุกข์ทำให้เราต้องสู้ชีวิตคนที่เห็นทุกข์นะก็มีโอกาสที่จะเห็นธรรมมีโอกาสที่จะเห็นธรรมเพราะความทุกข์เนี่ยมนทำให้เราทำกรรมที่ดี ความทุกข์มันทําให้เราถีบตัวเองออกจากมันแต่ถ้าคนไม่มีปัญญานะเป็นพอมันทุกข์ก็จะจมกับความทุกข์เราต้องเป็นคนที่มีปัญญาเหมือนกับคล้ายๆเราจมน้นะําอะำคนที่จมน้ำแล้วปล่อยให้ตัวเองตายในน้นะําเนี่ยคือคนที่ไม่ช่วยตัวเองเนาะหรือบางทีอาจจะช่วยตัวเองแต่ช่วยให้เป็นนะไม่ฝึกว่ายน้ํามาก่อน ก็เวลาจมน้ํำนะก็ตายนะแต่ที่จริงนะคนเราต้องดิ้นถึงที่สุดนั่นแหละนะไม่ปล่อยให้ใจะเองนอนตายเลยตกน้ําแล้วก็ปล่อยเลยนะมันก็ต้องสู้นะมันก็ต้องสู้แต่สู้แล้วมันอาจจะรอดหรือสู้แล้วไม่รอดเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องใครๆเป็นเรื่องทักษะเป็นเรื่องประสบการณ์เป็นเรื่องปัญญาของแต่ละคนนะ นั้นสิ่งที่พวกเรามาฝึกกันนโยมนะวันนี้เราอาจจะบางคนอาจจะเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์นบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจมีประโยชน์อย่างไรนะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราฝึกเนี่ยแหละมันเหมือนคล้ายๆเราฝึกว่ายน้ําำฝึกว่ายน้ําฝึกลอยคอนะวันไหนช่วงเวลาไหนที่มันเกิดความทุกข์ขึ้นในชีวิตของเรานะ คล้ายๆเหมือนกับช่วงไหนถ้าสมมติเราตกน้ำไปถ้าเราเคยว่ายน้ำเคยลอยคอเป็นนะเราก็จะเอาตัวรอดเราก็จะลอยตัวได้เราก็จะขึ้นฝั่งได้แต่ถ้าเราเองนะไม่เคยฝึกเลยเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในชีวิตนะเราก็นอนไม่หลับเราก็ร้องไห้ เราก็ทําร้ายคนอื่นทําร้ายตัวเองขึ้นใ น, ในชีวิตนั้นการที่เรามาฝึงเนี่ยทําให้เรามีเครื่องมือมีวิธีการนะที่จะออกจากความทุกข์ใจนะความทุกข์ใจนะพูดง่ายๆนะเรื่องทุกข์กายเนี่ยแต่มาไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะทุกข์กายเนี่ยมันก็ออกออกได้บ้างออกไม่ได้บ้างนะต้องไปหาหมอต้องรักษาต้องกินยาต้องกินข้าวต้องอะไรต่า ง, างๆเยอะแยะมากมายนะ เรื่องทุกกายเนี่ยมันเป็นกันทุกคนโยมนะพระก็ต้องไปหาหมอก็ต้องกินยาก็ต้องรักษาโรคนะแต่รักษาอย่างไงนะความทุกข์ทางกายเนี่ก็รักษาไม่หายหรอกนะปวดขาวันนี้เราเปลี่ยนข้างอีกครั้งหนึ่งนะก็ปวดอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมนะอะไรที่เป็นความทุกข์กายเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นนะตอนนอนเนาะนอนว่าสบายๆนะ ถ้านอนเกินสิบชั่วโมงมันสบายไหม <c oughs> ไม่สบายนะมันจะรู้สึกเคียวน ะ, ะกินข้าวตอนกินใหม่ใหม่ก็อิ่มโอ้ก็สบายพอกินเยอะเกินไปก็จุกก็ทุกข์ใช่ไหมเรานั่งแต่ที่นั่งดีขนาดไหนวันนี้เราคิดว่านั่งกับพื้นไม่สบายนะไปนั่งเก้าอี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงก็ไม่สบาย ไปนั่งเก้าอี้ที่แพงที่นุ่มขนาดไหนนะราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะนั่งไปนานๆก็ไม่สบายเหมือนกันแะละนั่งรถก็เหมือนกันนะเราว่าเราขับรถรถญี่ปุ่นมันขับแล้วไม่สบายขับแล้วไม่นิ่มนะไปขับรถเทนไนก็เหมือนกันนะขับนานๆก็เมื่อยเหมือนกันแหละนั่งนานๆก็เมื่อยเหมือนกันแหละ ไม่มีอะไรนะทางกายนะทางโลกนะที่มันสบายจริงๆตลอดหรอกนะมันมีแต่สบายชั่วคราวแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นทุกข์นะคล้ายๆเหมือนกับอาหารนะ่นะแหละโยมอาหารนะ่ะทาแล้วก็สุดทําแล้วก็นะหอมอร่อยแต่ทิ้งไว้นานๆ น, นะมันก็เย็นมันก็ปูดมันก็เน่านะร่างกายคนเราก็แบบนั้นนะ่ะแหละนะเราจะไปหาอะไรสบายใส่ตัวเราตลอดนะ หาไม่ได้หรอกนะที่เราเปลี่ยนขาที่เราเปลี่ยนอีเรียบทต่างๆที่เราหาได้มากินจริงๆนะมันก็เพียงแค่แก้ทุกข์เฉยๆนะมันก็นแค่บรรเทาทุกข์เฉยๆนในทุกทางกายนะนั่นเราถ้าเร า, าเระลึกได้แบบนี้นะโอ้ดองคิดแบบพระอารมคิดแบบพระมีแค่นี้ก็พอใจละอย่างพระมีกีบอนนะ มีผ้าไตรสามพื้นมีข้าวฟอมเครื่องใช้น้นอยๆนะก็มีเพื่อแก้ทุกบรรเทาทุกนิดหน่อยไม่มีอะไรมากเลยก่อนนั้นดอกโยมมีเพื่อผ้ามีของใช้ก็เพื่อปรามบัดความร้อนความหนาวแก้ไขหิ่งที่มันเป็นความไม่สะดวกสบายนิดหน่อยแค่นี้ก็พอละแต่สิ่งสําคัญนะความทุกข์ใจเนี่ยเราแก้ได้นะเราแก้ได้ ทุกคนสามารถแก้ได้นะเวลาทุกใจเนะี่ยอย่างที่มาบอกนะเวลาเรากลับมารู้สึกตัวเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดตอนนั้นเราจะวางเรื่องต่างๆเนอะเพราะว่าคล้ายๆเหมือนจิตใจนะจิตใจเราสมมติเปรียก ง, ง่ายๆเหมือนกับมือเหมือนกับมือสมมตินะมือเนี่ยมันถือหนังสือนะแล้วก็ถือได้อย่างเดียวนะ เวลาจิตมันไปคิดเนี่ยมันก็ไปอยู่ในความคิดมันก็อยู่ในอารมณ์ต่างๆแต่พอเราจิตมันมารู้สึกตัวมันเหมือนใชวางความคิดกลับมารู้สึกแบบนี้พอมือเราสัมผัสที่สมมติร่างกายของเราเะมันจิตสัมผัสกับร่างกายเนี่ยมันรู้สึกที่ร่างกายเนี่ยมันจะไม่ไปหยิบจับอย่างอื่นพอเรารู้สึกที่ร่างกายนะเหมือนมือมันแตะที่ตัวเราเนี่ยมันมันไม่ไปจับ หนังสือไม่ไปจับความคิดไม่ไปจับความทุกข์แต่บางทีมันแวบบแวบบเดียวนะมันเผลอไปจับแต่พอเรากลับมารู้สึกตัวมันเหมือนเรากลับมาจับที่ร่างกายของเราเนะี่ยมันจะวางอารมณ์วางความคิดนะีจิตขนะองเรานีมันเหมือนมันเหมือนมือมันเหมือนเป็นเพียงแค่ภาชนะรองรับอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าจิตเรารู้รู้ที่ตัวนะรู้ที่กายตัวเนี้ยนะ มันจะไม่ไปคิดหรือพอเวลามันคิดหรือมันมีอารมณ์ขึ้นมาพอมันรู้ทันนะมันก็จะวางมันก็จะปล่อยว่างมันอาจจะไม่จับกายนะแต่มันวางความคิดก็ได้นะนั้นจิตที่เป็นผู้รู้นะมันจะไม่เข้าไปอยู่ในความคิดไม่ไปยึดไปปรุงไปแต่งอะไรนะมันจะรู้สึกในการจะทำของเราเองนะ ทำอะไรก็รู้ตัวนะอยู่กับตรงนั้นหรือเผลอไปคิดมันก็วางได้เผลอไปคิดก็วางได้ก็ปล่อยไปแต่ว่าไปจริงเราจะไม่คิดเลยทั้งวันก็ไม่ใช่น ะ, น ะ, นะความคิดมันมีสองแบบนะเดี๋ยวต้องแยกให้ดีนะความคิดแบบหนึ่งเรียกว่าตั้งใจคิดความคิดที่ตั้งใจคิดเนี่ยคิดได้น ะ, นะนะ ที่พูดว่าความคิดบางคนกอาจจะแยงในใจความคิดที่ตั้งใจคิดเนี่ยเราคิดได้นะเราคิดวางแผนเราคิดในเรื่องการเรื่องงานคิดสิ่งที่จำเป็นต้องคิดอันนั้นคิดได้นะแต่ความคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเรียกว่าความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดนะความคิดที่เราอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมา นอนคล้ายๆเหมือนความฝันนะนอนเนยเรื่องฝันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเนาะอยู่ดีๆมันก็ฝันออฝันแล้วบางทีก็ดีใจฝันแล้วบางทีก็ทุกข์ใจใช่ไหมของคนฝันไม่ดีนะต้องไปหาหมอหาพระอหมอดูหาพระต่างๆเพื่อแก้ทําไมฝันแบบนี้น <c oughs> ก็ไม่สบายใจนะตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกใจนะ หรือบางคนฝันแล้วก็ชอบใจนะเอาไปตีเป็นเลขเป็นเบอร์นะนี่คือมันเป็นความคิดอย่างหนึ่งเฉยๆนะมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งคล้ายๆเหมือนกับเรานอนนะเรื่องราวที่เขาว่าเราเรื่องราวที่มันทุกข์ใจเราก็กลับมาคิดนะกินข้าวบางทีถ้าตอนไหนกุ้งใจนะก็กินข้าวก็ไม่อร่อยหรอกมันก็กินไปคิดไปใช่ไหมนี่ยนะ ไอ้ความคิดแบบนี้เราต้องวางนะเป็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจคิดมันคิดของมันเองเราต้องฝึกดูทันแล้วก็วางไปมีพระอาจารย์ร่ม้มนึงนะอ่าพระอาจารย์เพรสานท่านเป็นเจ้าวาดที่วัดป่าสุกโตนะท่านเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เห็นตัวอย่างง่ายๆโ ย, ย่ท่านบอกว่าเหมือนกับเรื่องบางอย่างนะเช่นสมมติเขาว่า เขาว่าเราเนะเขาว่าเราหรือเขาทําร้ายเรานะให้ทุกกายทุกใจเนะนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเขาเอามีดมาแทงเราเอามีดมาแทงเราครั้งหนึ่งเขาว่าเราเมื่อวานนะเขาว่าไปแล้วแต่ที่เรามาคิดมาคิดถึงเรื่องราวที่เขาว่าเรามานคล้ายๆเหมือนเราชักมีดตัว น, นั้นออกแล้วก็มาแทงเราเองซ้ำอีกสองครั้งที่สอง เราคิดครั้งที่สมเหมือนคล้ายๆเอามีดตัวนี้มาแทนตัวเองครั้งที่สามใช่ไหมเขาว่าเราครั้งเดียวเมื่ออดีตแต่เราอ่ะเก็บมาคิดก็มาซ้ำตัวเองแทนตัวเองซ้ำรอบสองรอบสามรอบห้ารอบหกต้องขวนเรื่องเดียวนะคิดซ้ำวนๆเป็นหลาเป็นร้อยเรื่องเป็นร้อยครั้งพันครั้งตัวนี้ใช่ไหมความผูกกันนะเพราะเราไม่รู้ทันความคิดเราได้เอา สิ่ที่เขาว่าเป็นความทุกข์นะทำแล้วทำเล่านะหรือเอาเรื่องรางอาดีตที่เราเคยทำผิดทำพลาดมาแทนตัวเองทำแล้วทาเล่าหรือเรื่องบางอย่างนะมันยังไม่เกิดเราก็เอามาทุกข์ก่อนนะนะเอามาทุกข์ล่วงหน้านะยังไม่เกิดเลยนะกลัวขึ้นมาก็เหมือนไปยืมมีในอนาคตนะมาแทนตัวเองนะมาทำร้ายตัวเองนะนะ เราสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนดย ก, กันเนี่ยแหละลองฝึกดูกลับมารู้สึกตัวนะกลับมารู้สึกตัวไปบ่อยเราจะรู้ทันความคิดเราจะวางความคิดเราจะอยู่กับปัจจุบันจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสมาธิมีสติพอันเห็นความคิดมันวางความคิดได้ ไม่มีปัญญานะปัญญาไม่ใช่คําว่าแปลว่าคิดได้นะปัญญาแปลว่ารู้เข้าใจร่างกายจิตใจตามความเป็นจริงนะมันจะวางได้อ้อไอ้เรื่องนี้มันคิดแล้วทุกมันวางปุ๊บปุ๊บมันวางของมันเองนะปัญญาเนี่ยมันมอย่างที่มายกตัวอย่างมาเหมือนเหมือนมือเราไปถูกของร้อนนะเช่นจับแก้วน้ํำร้อนๆนะมันวางนะมันร้อนเกิดไป มือเราสมมติเท้าเรานะไปเหยียบน้าําเหยียบเหยียบแก้วเนาะพอเหยียบปุ๊บนะถ้าเรารู้สึกดีๆมันก็จะสตูปออกมาเลยจิตก็เหมือนกันนะจิตพอมันเห็นอะไรมันเป็นทุกข์ขึ้นมานะมันจะถอนได้เองออกมาอันนั้นเป็นเรื่องของการมีปัญญานะเรื่องของการภาวนานะมันเป็นสิ่งที่ช่วยกันยาก ก็ช่วยได้กันแค่บอกแค่สอนแล้วก็พากานทำนะแต่ถ้าใครอยากที่จะมีชีวิตอย่างมีความทุกข์น้อยลงนะหรือว่ามีชีวิตที่หมดจากความทุกข์ใจนะเนี่ยการที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมนี่แหละมันจะเป็นเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําให้เราอยู่กับโลกนะด้วยความไม่ทุกข์ใจนะทุกกายมันมีทุกคนนั่นแหละอันนี้ไม่พ้น แต่ความทุกข์ใจนี่เราสามารถพ้นนะจากความทุกข์ใจได้นะโดยการที่เราศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนาะก็ฝากไว้ในชาววันนี้